ได้พูดถึงเรื่องการไปช่วยเขาอบรมโครงการสุขแท้ด้วยปัญญาก็มีคนที่ขอทุนแล้วก็ได้รับทุน50กว่าโครงการก็มาเนโครงการละ2คนก็ร้อยกว่าคนมีทั้งเด็กมัธยมมหม .6 จนกระทั่งไปถึงผู้ใหญ่ครูอายุ60กว่าก็ให้มาร่วมอบรมกัน แต่ว่าอบรมไม่ได้เน้นเรื่องการบรรยายแต่ให้เขาเรียนรู้จากประสบการณ์ให้เขาเรียนรู้จากการปฏิบัติก็ให้กิจกรรมเขาไปทำหลายอย่างแต่กิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมที่เรียวกว่ากวาดต้อนให้เขาแบ่งเป็นกลุ่มๆหกลุ่มกลุ่ ม, ล, มละ20คนเสมือนก็ว่าเป็นเมืองเมืองหนึ่งก็มีภาระหน้าที่คือต้องไปกวาดต้อนเอา ผู้คนจากอีกเมืองหนึง่งมาไว้ในเมืองของตัวให้มากที่สุดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทํากันมาในอดีตเวลาไทยไปตีพมากก่าก็กวาดต้อนคนพม่ามาเวลาพม่ามาตีไทยก็กวาดต้อนคนไทยกลับไปพมา่าไอ้เขาทำยังไงก็ได้เพื่อจะได้มีคนจากกลุ่มอื่นเมืองอื่นมาเป็นพลเมืองของตัวให้เยอะๆกลุ่มไหน มีพลเมืองมากที่สุดก็ชนะไปก็ให้ทําให้ตีกันหรือกวาดต้อนกันทั้งลำเมืองทั้างลำเมือง1ไปกวาต้อน2 2ไปกว่าต้อน3 3ไปกว่าต้อน4 4ไปกว่าต้อนห้กว่าตอ้าาาตอนหนก็เรียกว่าโกราคนกันทีเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีไปยุยงจูกระชาคนมากลุ่มไหนที่มีคนใจถึงหน่อยเขาก็ไปฉุดมาได้เยอะเล่นไปเล่นมา แค่20นาทีก็เลยแค่3ามกลุ่มสามเมืองก็สนุกสนานกันกิจกรรมนี้ไม่ได้เพื่อให้เกิดความสนุกสนานแต่เพื่อให้เขากลับมาไต่ตรองเล่นเสร็จก็ให้เขาแยกย้ายกลับไปเหลือห้ากลุ่มเหมือนเดิมแล้วก็ไปคุยกันในกลุ่มว่าเขารู้สึกอย่างไรเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างก็มีหลายคนก็บอกว่าไม่ชอบเลยวิธีนี้ ไม่ชอบวิธีการไปฉุกระชากลากถูมันไม่ใช่สันติวิธีมันเป็นการใช้กำลังบางคนก็บอกว่าไม่ชอบนะกิจกรรมนี้เลยนะมาบังคับให้ต้องไปฉุกระชากลากถูที่จริงกิจกรรมนี้ไม่ได้บอกให้ไปชุกระชากลากถูเลยเพียงแค่ให้ไปกวาดต้อนคนมาให้ได้มากที่สุดนะว่าแต่ว่าทุกกลุ่มก็ลงเอ่ยด้วยการไปฉุกระชากลากถูคือการใช้กาลัง ไม่มีกลุ่มไหนที่จะใช้วิธีการไปเจรจาประเด็นหนึ่งที่ได้ตั้งได้แน่ให้เขาลองคิดพิจารณาดูก็มีหลายคนที่บอกว่าไม่ชอบวิธีใช้กําลังแต่ว่าก็ต้องทําตามเพื่อนตัว เ, เลยตั้งคําถามขึ้นมาให้เขาคิดวา่าคนเรานี่จะเป็นตัวของตัวเองได้ไหมคนเรานี่สามารถที่จะยืนหยัดมั่นคงในความถูกต้องได้หรือเปล่าและสิ่งที่มันน่าสนใจคือว่า เวลาถามทุกกลุ่มถามทุกคนร้อยกว่าคนว่ามีใครบ้างที่ไม่ชอบวิธีการจูกระชากลากถู 90% บอกไม่ชอบยกมือกันเป็นแถวเลยไม่ชอบมันก็น่าแปลกนะว่าเมื่อไม่ชอบถึง 90% แต่ทำไมพอให้ทำจริงๆมันกลายเป็นว่าคนทั้งร้อยเเซเข้าไปจูกระชากรากถูเปนใหญ่จะหมายความว่าคน90คนปล่อยให้คนสิบคนซึ่งชอบ การใช้กําลังชอบการใช้จูกระช้ากลากถูนี้พาไปหรือเปล่านั่มันก็น่าคิดนะเออทาไมคน90คนนี่ไม่ชอบการจูกระช้างรากถูแต่ว่าสุดท้ายมันก็ลงเอยไปด้วยการที่คนทั้งร้อยคนไปจูกระชางรากถูคนใหญ่เสมือนว่าปล่อยให้คน10คนซึ่งเป็นคนส่วนน้อยแค่ 10% นี้เป็นผู้นํากลุ่มนําฝูงไปอั๊กมาก็เลยตั้งคําถามว่าทําไมาคนที่ไม่ชอบซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ ถึงยอมตามคนส่วนน้อยได้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สังเกตว่าคนที่เล่นกิจกรรมนี้ที่บอกว่าไม่ชอบไม่ชอบแต่ว่าเห็นเล่นกันก็สนุกสนานยิ้มแย้มกันทุกคนไม่ได้มีสีหน้าไม่ชอบอะไรเลยสนุกแล้วก็มันนะทุกคนรู้สึกมันแต่เวลามาไต่ตรองบอกว่าไม่ชอบแล้วทำไมถึงไปเพลิดเพลินทำไมถึงไปมันกับกิจกรรมนี้ได้ ก็ตั้งคำถามให้เขาคิดนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นตั้งคำถามให้เขาคิดด้วยว่าแม้ว่าเราจะเป็นคนส่วนน้อยสมมุติว่าเราเป็นคนส่วนน้อยแต่จำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องคล้อยตามคนส่วนใหญ่ทำไมเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะที่จะบอกให้คนส่วนใหญ่สมมุตินะว่าคนส่วนใหญ่เขานิยมการใช้กำลังแต่ว่าในกรณีนี้เพรา็ว่าส่วนใหญ่ไม่ชอบ แต่ว่ากลับปล่อยให้คนส่วนน้อย 10% ซพากลุ่มไปในการใช้ความรุนแรงถามก็ตอบไปว่าเวลามีเหตุการณ์อย่างเช่นรุ่นพี่ไปซ้อมรุ่นน้องเวลารับน้องแล้วก็รุ่นพี่นี่ไปซ้อมรุ่นน้องจนบางคนพ่การจนบางคนตายเวลาตำรวจจับได้จับคนที่เกี่ยวข้องหลายคนก็บอกว่าขอไม่ชอบเลยขอไม่อยากทำอย่างนี้เลยอ่าแล้วทาไปได้ยังไง เวลามีการโศมผู้หญิงวัยรุ่นโศมผู้หญิงแล้วก็จับวัยรุ่นเหล่านั้นได้ก็มีหลายคนบอกว่าไม่ชอบเลยไม่เห็นด้วยแล้วทำไมทำไปได้ยังไงมันก็เหมือนกับ น, นักเรียนยกพวกตีกนันก็มีหลายคนไม่ชอบแต่ทำไมก็ไปรวมมายรวมมือกับเขาอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดรวมไปถึงเวลามีการ โกงเวลามีการคอร์รัปชันกันเป็นทีมเป็นฝูงเป็นกลุ่มก็หลายคนก็บอกว่าไม่ชอบไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องทําตํารวจหลายคนนะที่ไปเกี่ยวข้องกับการรีดไถชาวบ้านทั้งสถานีก็มีหลายคนบอกว่าไม่ชอบไม่เห็นด้วยแต่ทําไมทําอันนี้ก็เป็นคําถามขึ้นมาว่าคนที่เป็นคนดีที่ไม่เห็นด้วยกับ การใช้กำลังไม่เห็นด้วยกับการซ้อมรุ่นน้องไม่เห็นด้วยกับการสมผู้หญิงไม่เห็นด้วยกับการคอร์รัปชันการโกงการลีดไถนะแต่ทำไมถึงยอมได้ตรงนี้เรามันเป็นประเด็นเรื่องความเป็นตัวของตัวเองคนดีนี่จะรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ได้หรือเปล่าได้มันก็น่าสนใจว่าทั้งที่คนดีเป็นส่วนใหญ่นะแต่ทาไมถึงยอมตามคนส่วนน้อยได้ อันนี้มันก็เลยสอดคล้องกับที่มีคนพูดว่าสังคมมันแย่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเวลาสังคมแย่นี่เราอย่าไปโทษคนชั่วนะแต่ต้องโทษคนดีที่นิ่งเฉยคนดีนิ่งเฉยไม่ได้นิ่งเฉยเปล่าเปล่าแต่ว่าบางทีก็ไปร่วมรวมไม้รวมมือกับเขาด้วยทำไมถึงร่วมไม้รวมมือกับเขาก็อาจจะตอบได้ว่าเป็นเพราะหนึ่งต้องการการยอมรับของหมู่คณะอย่างวัยรุ่นเนี่ยหลายคนก็ไม่ชอบแต่ก็ต้องทา เพราะว่าใครๆก็ทากันใครๆก็ทำกั น, กกนฉันก็ต้องทำบ้างเพื่อว่าฉันจะได้เป็นที่ยอมรับของคนในกลุ่มหรือเพราะกลัวทั้งๆ ท, ที่ไม่ชอบแต่ก็ต้องทำหรืออาจจะเป็นเพราะว่าลึกๆมันก็มีกิเลสอยู่แล้วก็คือมีความโลภนิยมความรุนแรงอันนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนก็มีทั้งนั้นและไอ้ความโลภหรือความโกรธหรือว่าความรุนแรงพวกนี้เนี่ย เวลาถูกกระตุ้นแล้วนี่มันก็คล้อยตามง่ายๆอย่างคนที่เล่นเกมกวาดตอนเนี่ยนะหลายคนก็เป็นคนดีนะอย่างที่บอกว่าไม่ชอบการใช้กำลังแต่พอเห็นคนอื่นก็ทำกันมันก็เริ่มสนุกเพราะว่ามันได้ใช้อำนาจการที่ได้ใช้อำนาจไปฉุดกระชากลากถูคนอื่นมามันสนองกิเลสส่วนผิวๆนะที่เรียกว่ามานะมันสนอง วความสนุกด้วยที่เราคาความมันทำไปก็ยิ้มไปทั้งๆที่ใจนี่ก็บอกไม่ชอบแต่ทำไปแล้วสนุกแล้วคนเราก็มีกิเลสตรงนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดีกับคนไม่ดีที่จริงมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าต่างก็มีกิเลสทั้งคู่เพียงแต่ว่าจะยอมมันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็วันนั้นก็เลยได้ตั้งคำถามให้กับเขาคิดดูนะ ว่าคนเรานี่จะสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ไหมเราจะรับษาความดีของเราได้ไหมสมมุติว่ามันมีคนรอบตัวที่ไม่ดีจำเป็นไหมที่เราต้องได้รับความยอมรับจากคนอื่นแต่คนไทยหรือที่อื่นก็เหมือนกันนะัก็ใจอ่อนนะอย่างเช่นผู้ที่ไม่อยากกินเหล้าเนี่ยไม่อยากกินเหล้าแต่จ า, าเป็นต้องกินถามว่าทำไมก็เพื่อสังคม เพกลัวว่าถ้าไม่กินเหล้าแล้วเพื่อนจะไม่ยอมรับจะว่าไปก็แสดงว่าเป็นคนอ่อนแอไม่สามารถจะยืนหยัดมั่นคงในสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าถูกต้องได้ไอ้ทางพุทธศาสนาเรียกว่าโลกาทิปไตยนะโลกาทิปไตยนี่มันหมายถึงว่าจะทำอะไรก็ตามก็อาศัยเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้มีความคิดเป็นตัวของตัวเองใครเขาว่าแล้วก็ทําตาม ถ้าเราไม่กินเหล้าแต่คนหนึงเขกินเหล้าเราก็เข้ากับเขาไม่ได้ก็ทั้งยอมกินอันนี้เรียกว่าโลคอาทิพไตยดีนี้เป็นกันเยอะเพรออาะงนการพอเป็นอย่างนี้มาเข้ามาเข้าเนี่ยมันก็เริ่มทําอย่างอื่นที่มันแย่ลงแย่ลงไปได้เรื่อยๆจากการกินเหล้าเป็นฝูงก็ไปทําอย่างอื่นมัางเช่นวัยรุ่นที่กินเหล้าพอกินเหล้าเสร็จมันก็ไปทําอย่างอื่นแล้ะไปจับกลุ่มขับรถสิ่งหรือว่าไปโซงผู้หญิง ที่เห็นผ่านไปผ่านมาเริ่ก็แปลกนะคือในเรื่องพวกนี้นี่เวลาอพูดไอ้เรื่องที่ไม่ดีนี่กล้าทํากันนักนะกล้าทําในเรื่องที่ไม่ดีแต่เวลาที่จะเป็นเรื่องดีๆนี่ไม่กล้าตั้งข้อสังเกตว่าอย่างเช่นเวลาเดินบนถนนที่มีคนพลุกพล่านเวลาเกิดมีคนเป็นลมลม้มลงก็เห็นกันอยู่เป็นร้อยเป็นพันนะว่ามีคนป่วย ที่ต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าคนส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดก็เดินผ่านไปผ่านมาดูเหมือนจะไม่สนใจบางคนอาจจะอ้างเหตุว่ามีเรื่องเร่งด่วนมีเรื่องต้องทำแต่หลายคนที่ไม่ช่วยก็เพราะว่ากลัวกลัวคนเขาจะมองหรือว่าอายอายที่จะไปช่วยเขาคนเป็นพันมันเดินผ่านแต่เราไปช่วยเขานี่เหมือนสื่อว่ามันแปลกแยกอายกลัวลกลัวที่จะทาดีนะ แต่เวลาไปโโสมหญิงไปตีกันนี่นะกล้านับอันนี้ก็กลายเป็นว่ามันเกิดสิ่งที่เราเรียกว่ากล้าทําชั่วแต่กลัวทําดีไม่ต้องพูดถึงการช่วยคนเป็นลมอยู่กลางถนนนะบางทีแค่เหมือนก่อนเนี่ยอย่างที่เมื่อ2อวันก่อนก็ไปคุยกับคุยกับพวกที่เป็นอาจารย์พวกที่เป็นครูเขบอกเดี๋ยวนี้เด็กที่จะทําการบ้านมาส่งครูบางทกีก็กลัวแล้ว กลัวที่จะทำการบ้านมาส่งครูเพราะว่าเพื่อนคนอื่นๆมาไม่ทำกันเลยตัวเองก็ไม่กล้าที่จะทำการบ้านหรือว่าทำความดีเดี๋ยวนี้ไม่กล้ากันแล้วทั้งที่มันเป็นหน้าที่อันนี้ก็คือสภาพที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนกล้าทำชั่วนะแต่กลัวทำดีเวลาจะมาปฏิบัติทำก็กลัวกลัวนูนกลัวนี่ แต่ว่าเวลาบอกให้ไปะยกพวกตีกันนี่ไปกันใหญ่มีวัยรุ่นนี่มาบวชที่วัดนะที่วัดป่ามหาวันเป็นวัยรุ่นที่เรียกว่าเป็นพวกหฮามนะจะให้ไปตีใครนี่เอาจนทั่งติดคุกประกันมาได้ก็ให้มาบวชมาบวชนี่ก็ไม่กล้านะไม่กล้านอนคนเดียวกลัวไอ้เรื่องที่เป็นความดีเป็นสิ่งที่ควรทํานี่กลัวแต่ไอ้เรื่องที่ไม่ควรทํานี่กลับกล้า เป็นอย่างนี้กันทั้งประเทศและเวลานี้แม้แต่คนดีก็เป็นอย่างนั้นด้วยก็คือว่าไม่กล้าที่จะทำดีเพราะว่าคนอื่นนี้มันอยากจะทำชั่วแต่พอถามกันไปจริงๆอ้ทุกคนก็ไม่เห็นด้วยกันทั้งนั้นไม่เห็นด้วยกับการทำชั่วยอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยอาคนต้องกลาปรเซ็นต์ไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังแต่ว่าไปคิดเอาเองว่าฉันเป็นคนส่วนน้อยก็เลยต้องยินยอม ไปตามเสียงส่วนใหญ่ในตอนนี้เนี่ยนี่คือปัญหานะซึ่งเป็นหน้าทีนะ่หน้าที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือหน้าที่ของาศาสนาหรือหน้าที่ของวัดหน้าที่ของครอบครัวที่จะต้องทำให้คนนี่มีความกล้ากล้าที่จะทำดีมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างถูกต้องก็คือยืนหยัดมั่นคงในสิ่งที่ถูกไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าปล่อยให้คนส่วนน้อยซึ่งเป็นคนไม่ดีเนี่ย ชักพาให้ไปในทางเสียหายได้มันเป็นไปได้ยังไง 90% คนดีปล่อยให้คนชั่ว 10% หรือคนชั่วน้อยกว่า น, นั้นนี่พาไปได้ส่วนหนึ่งก็เพราะความกลัวนั่นแหละส่วนหนึ่งก็เพราะความไม่มีความเชื่อมั่นในในความดีหรือไม่มีความเป็นตัวของตัวเองอตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญว่าทํางานจะทําให้คนเรานี่มีความมั่นคงในความดีได้ ส่วนหนึ่งก็ต้องเห็นว่าอมันไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราไม่ใช่คนส่วนน้อยนะเราเป็นคนส่วนใหญ่นะถ้ามันมีความเข้าใจอย่างนี้มันก็จะทําให้เกิดการรวมกลุ่มกันที่จะทําความดีแล้วก็ที่จะคัดค้านไอ้สิ่งที่ไม่ดีได้อีกส่วนนี้ก็ต้องเกิดจากความมั่นใจจริงๆว่าความดีนี่มันส่งผลเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยมั่นใจว่าความดีมันส่งผลเท่าไหร่พเพราะลึกๆเราก็ไม่เชื่อกดแห่งกรรมเราไม่คิดว่าทําความดีแล้วมันจะได้ดี พอเราไปเห็นคนหนึ่งเขาทำช่วยแล้วรวยเอารวยเอาแต่ว่าไอ้ความรวยความดีมันไม่เหมือนกันเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่เราต้องต้องช่วยกันสอนแต่ที่จริงจะว่าช่วยกันสอนก็คงพูดยากนะเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันสอนกันไม่ได้มราต้องทำให้เป็นแบบอย่างนะครูบาอาจารย์เอ่ยพ่อแม่เอ่ยรวมทั้งพระสง์องค์เจ้าเองเนี่ยต้องทาให้เป็นแบบอย่างคือยืนหยัดมั่นคงในความถูกต้อง พอเดี๋ยนี้เรามักจะใช้วิธีการสอนสอ น, สอนให้ลูกสอนให้ลูกศิษย์สอนให้ชาวบ้านทาความดีแต่ว่าบางทีเรากลับไม่ได้ทำให้เป็นแบบอย่างนี่เป็นกันเยอะมีหลายแห่งหลายโรงเรียนพาเด็กพานักเรียนมาปฏิบัติธรรมที่นี่แต่ครูนี่ไม่สนใจครูนี่ก็แอบไม่มาทำกิจวัตรเหมือนนักเรียนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนักเรียนจะเห็น ประโยชนของการปฏิบัติธรรมได้อย่างไรในเมื่อครูหรือผู้บริหารซึ่งเป็นคนพาเด็กมากับหนีกับเลี่ยงไม่ค่อยเห็นนะผู้บริหารที่จะมาปฏิบัติธรรมร่วมกับนักเรียนไม่ค่อยเห็นครูจะมาปฏิบัติธรรมร่วมกับนักเรียนแต่ก็บังคับให้นักเรียนมาเมื่อเป็นเช่นนี้นักเรียนจะซาบซึง้งหรือเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมได้อย่างไร เวลานี้เนี่ยการศึกษาเราเป็นในเรื่องการสอนมากสอนในที่นี้มันเป็นการใช้คําพูดว่าอย่างเป็นอย่างน้นเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้ทําให้ดูไม่ได้อยู่ให้เห็นแต่ถ้าหากครูเนี่ยสามารถที่จะทําเป็นตัวอย่างได้ก็จะดีเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลามีปัญหามากเวลาจะพานักเรียนมาทํากิจกรรมอย่างเช่นมาปลูกป่าเมื่อเร็วๆนี้ก็มีนักเรียนจากชายภูมาปลูกป่ามาค้างแรมที่วัดป่ามหาวันไม่ไกลาจากนี้ มาค้างแกลมแล้วก็มามาปลูกป่ากันกว่าจะพาเด็กออกมาเนี่ยยากมากเลยไม่ใช่มีปัญหากับพ่อแม่อย่างเดียวนะมีปัญหากับครูด้วยคือครูไม่อยากออกมาเพราะว่าถ้านักเรียนมาครูก็ต้องมาด้วยแต่ครูไม่อยากออกมาครูไม่อยากลําบากยิ่งมาเข้าวัดด้วยแล้วยิ่ยยงในกลายใหญ่เพราะว่ามันต้องลดละอาบายมุูเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็ทําให้นักเรียนเนี่ยขาดโอกาสที่จะได้มาฝึกการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ แต่พอเด็กได้มาจริงๆเด็กก็ชอบนะทางน้านทีทีแรกเด็กไม่ชอบเด็กมอ 4, มอ .5 หได้มาปลูกป่ามาค้างแรมเด็กติดสบายนะต้องมาเดินไกลต้องมาหอบหิวพันไม้ต้องมาตากแดกแต่ว่าพอทำแล้วเนี่ยเรามาคุยกันเด็กมีความสุขเด็กสนุกเพราะว่าการทำอะไรที่ทาอะไรร่วมกันแล้วถ้าเป็นการทำความดีแล้วมันก็ทำให้เกิดความเพลินได้ทางนั้น เด็กก็จะพราบว่าเออทาแบบนี้มันก็สนุกนะบางทีมันสนุกกว่าการไปเที่ยวห้างซะอีกเที่ยวห้างมันสบายแต่มันไม่ให้ความสุขที่มันมีรสชาติอย่างการที่มาลำบาร์ร่วมกันอย่างที่ที่วันในทุกปีนี่ก็จะมีการเดินธรรมยาตราเดินธรรมยาตราก็เดินกันกลางตากแดดนะถ้าฝนตกก็ตากฝนเดินกัน7จคืนแวันตั้งแต่วัดป่ามหาวันภูหลงมอนกลางดินกินกลางทราย ไม่มีความแน่นอนในเรื่องสถานที่ไม่มีความแน่นอนในเรื่องอาหา ร, <ม>าหารการกินคนเยอะบางทีก็อดแต่ก็มีเด็กมาเดินเงินทุกปีมีที่โรงเรียนรุ่นรุณจากกรุงเทพก็ส่งเด็กมาเด็กม .4 มาทุกปีปีละยีคนมาทั้งชั้นเลยและที่น่าสนใจคือครูก็มาด้วยครูทั้งห้าหกคนก็มาแล้วก็มาเดินตากแดดกับนักเรียนนเราเรียกว่าลมหัวจมท้ายกับนักเรียน อันนี้มันก็ทำให้นักเรียนเนี่ยก็มีความศรัทธาในครูว่าไม่ใช่ว่าให้นักเรียนมาลําบากอย่างเดียวครูก็มาลําบากด้วยและนักเรียนก็รักครูเพราะครูก็เรียกว่าใกล้ชิดนะเคียงบ่าเคียงไหลกับนักเรียนและเสร็จแล้วเขาก็ เ, เ, เ, เห็นว่าเออมันทําทํำนี้แล้วก็มีความสุขมันเหนื่อยมันเหนื่อยแบบไม่เคยเหนื่อยมาก่อนหลายคนบอกหลายคนไม่คิดว่าจะเดินได้เป็นเวลา 70-80 กิโลเพราะว่านั่งรถตลอดแต่ว่าพอมาได้ทําแล้วนี่ แล้วก็ได้มาคุยกันคือทํากิจกรรมพวกนี้มันต้องมาคุยกันต้องมาแลกเปลี่ยนกันก็จะพบว่าเออหลายคนก็มีความประทับใจนะบางทีการการเรียนรู้นี่มันไม่ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการที่มีใครมาพูดมาสอนแต่เกิดจากการลงมือปฏิบัติแล้วก็เห็นแล้วก็มีการไตรตรองอันนี้ก็ตรงกับทางพุทธศาสนาเรียกว่าภาวนา ม, มยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการทำแล้วก็จินตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการคิด คิดนี่ก็คือทำแล้วมาไต่ตรองไต่ตรองแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันมันก็ทำให้เห็นความคิดดีๆของกันและกันก็เกิดการเรียนรู้กันได้เดี๋ยวนี้การเสริมสร้างคุณธรรมเราเป็นเน้นหนักเรื่องการสอนมากวิชาศิลธรรมก็กลายเป็นวิชาที่น่าเบือ่อนะเพราะว่าได้แต่พูดได้แต่ท่องจำแล้วก็ให้ท่องจำเรื่องยากๆที่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเช่นอริยสัจสกฎแห่งกรรม ผมวิหาร4นะแต่ว่าไม่ได้ได้ทดลองปฏิบัติไม่ได้ทดลองใชนะ้แต่ว่าถ้าเกิดว่าได้ให้เขาทดลองได้ทํามันก็จะเกิดผลได้ที่ประเทศไต้หวันมีมูนิธิหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงมากคนไทยไปไปดูงานเยอะมากนะเป็นพันคนและเรื่องมูนิธิชื่อจี้ฟังดูมันก็เป็นกลุ่มเล็กๆนะมูนิธิแต่ที่จริงนี่เขามีสมาชิกเป็น5ล้านคนมีอาสาสมัครทํางานจริงจังเป็น2อ 0,000 คน มีโรงพยาบาลพันเตียงถึง 3-4-5 หแห่งมีหมหาวิทยาลัยโ ร, ยรงเรียนแพทย์มีวิทยาลัยอาชีวะแล้วก็มีโรงเรียนตั้งแต่ประถมถึงมัธยมก็ประสบความสาเร็จมากในการที่ฝึกให้เด็กนี่มีมีธรรมะแล้วสิ่งที่เขาทำอย่างนี้คือว่าไม่ได้สอนด้วยคาพูดแต่ว่าให้เด็กไปช่วยกันไปทำสาธารณประโยชน์เริ่มตั้งแต่ทาประโยชน์ในโรงเรียนโรงเรียนชื่อจี้นี่ไม่มีคนงาน ไม่มีนักการพานโงที่จะมาทําความสะอาดแล้วโรงเรียนสะอาดได้ยังไงโรงเรียนสะอาดได้ก็เพราะนักเรียนไม่ใช่แค่นักเรียนเท่านั้นครูด้วยนะทุกวันนะต้องมีเวร10บโมงก็ต้องเป็นเวลาบำเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียนก็คือทําความสะอาดนั่นเองและนักเรียนที่เก่งนะจะได้รับเกียรติพิเศษนักเรียนที่ได้คะแนนดีจะได้รับสิทธิพิเศษก็คือไปทําความสะอาดห้องน้ำทำนะความสะอาดห้องน้านี่ถือว่าเป็นเกยียรติ ถ้านักเรียนไม่ใช่เป็นเด็กเรียนดีไม่ได้ทำความสะอาดห้องน้ำเพื่ออะไรแล้วนะก็เพื่อลดความยึดติดตัวตนนะเพราะว่าเด็กที่เรียนเก่งก็มักจะมีอีโก้หรือมีตัวตนสูงก็ให้ลงไปทำงานที่มันต่ำนะจะได้เกิดความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องน่าลองเกียดคนยิ่งเก่งยิ่งต้องเสียสละนะก็ทำให้การขัดห้องน้าการล้างส้วมกลายเป็นงานที่มีเกียิขึ้นมา ได้ที่นาสําคัญคือว่าครูก็ทําด้วยมันไม่มี2มาตรฐานนะก็คือว่านักเรียนทําครูอยู่เฉยไม่ใช่ครูก็ทํานักเรียนก็ทําไม่มีการแบ่งชนชั้นเพราะถ้าเราบอกว่าการทําความสะอาดเป็นของดีแต่ให้นักเรียนทําแต่ครูไม่ทําแล้วมันจะแสดงว่ามันเป็นของดีได้อย่งไรเพราะแม้แต่ครูก็ยังไม่ทําอันนี้การเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นหน้าที่ของทุกคนและครูก็ทําให้เป็นแบบอย่าง เมื่อเป็นเช่นนี้เด็กก็เริ่มมีความรักโรงเรียนรักครูแล้วก็เชื่อจริงๆว่าใหการทําประโยชน์เพื่อโส่วนรวมเป็นของดีไม่ได้ทําที่โรงเรียนอย่างเดียวออกไปทําในนอกโรงเรียนด้วยนะไปเยี่ยมคนป่วยไปเยี่ยมคนเจ็บไปเยี่ยมคนแก่บางทีก็ไปทํางานแยกขยะไปทำแล้วไปทําเป็นกลุ่มทําเป็นกลุ่มแล้วก็สนุกเลยทำเป็นกลุ่มแล้วสนุกได้เห็นคนแก่ยิ้มแย้ม คนเรานี่พอได้ทำความดีแล้วเนี่ยมันเห็นรอยยิ้มเห็นรอยยิ้มของเพื่อนเห็นรอยยิ้มของคนแก่เห็นรอยยิ้มที่เตียงไปช่วยมันก็มีความสุขแต่พอถามเขาว่าสุขยังไรเขาก็บอกว่าโอ้มันสุขนะมันสุขกว่าไปดูหนังมันสุขกว่าการไปเที่ยวที่ไหนสะอีกบางทีคนเราได้รับความสุขแต่มองไม่เห็นมันก็ไม่เห็นคุณค่า ต้องท้าให้ค่อยเห็นกลับมามองตัวเองเวลาทําความดีเราต้องกลับมามองตัวเองว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างไม่งั้นมันผ่านเลยไปเหมือนกับดูละครอย่างที่พูดไปดูละครเออดูแล้วสนุกแต่ถามว่าได้อะไรไมไม่เคยมีการถามสิ่งที่ได้เห็นตลอดเวลา2ชั่วโมงเวลาชั่วโมงหนึ่งบางทีก็เป็นของดีแต่มันก็ผ่านเลยไปเพราะว่าไม่ได้มีใครมากระตุ้นให้กลับมาดูให้กลับมาทบทวนเพราะว่าเอาแต่ความสนุก สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นวิถีมันเป็นการปฏิบัติที่สามารถที่จะสร้างเสริมคุณธรรมให้แก่ให้แก่คนได้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่นักเรียนไปจนถึงผู้ใหญ่ชื่อจี้นี่ผู้ใหญ่นี่ก็มาร่วมนะคนที่เป็นผู้จัดการคนที่เป็น CEO บริษัทก็มาทํางานอาสาสมัครถ้าไม่แยกขยะ ก, ก็ทําสวนวันเสาร์วันอาทิตย์ช่วยโรงพยาบาลเป็นอาสาสมัครพาผู้ป่วยไปเข้าห้องตามแผนกต่างๆ ไปถามวขาเข้าอาชีพอะไรก็ เ, เป็นผู้จัด ก, การเป็นสถาปนิกเป็นวิศวกรมาตัดหญ้ามาทําสวนให้กับโรงพยาบาลเขาไม่ลังเกียจบรรยากาศแบบนี้ก็ทําให้ค น, เ, นเห็นคุณค่าของการของการทําความดีลงมือปฏิบัติไม่ลังเกียจการใช้แรงงานก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่หยิบยงคนเราทําไม่หยิบยงแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําความสําเร็จได้มาก ที่จริงเามีหลายวิธีนะที่จะช่วยบ่มเพาะความดีให้เกิดขึ้นบางทีก็ใช้วิธีการจัดดอกไม้เียกว่าจริยศิลป์จริยศิลป์คือศิลปะที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามในใจให้เกิดคุณธรรมจัดดอกไม้ให้เห็นเลยว่าที่ดอกไม้มันสวยได้เพราะอะไรนะดอกไม้บางทีมีดอกใหญ่มารองรับอยู่ใต้ดอกเล็กบางทีใบไม้ใบใหญ่อยู่ใต้ใบไม้ใบเล็ก หมายความว่าอย่างไรมันก็หมายความว่าผู้ใหญ่ก็ต้องช่วยผู้น้อยต้องอุดหนุนผู้น้อยให้เจริญก้าวหน้าอันนี้ก็สอนให้เป็นธรรมะได้มันไม่ใช่แค่สวยงามอย่างเดียวถ้าสิ่งเหล่านี้นมันก็เป็นสิ่งที่คอยนำน้อมกล่อมใจให้คนเห็นคุณค่าของธรรมะมันไม่ได้เกิดจากการอ่านหนังสือไม่ได้เกิดจากการที่มีคนมาพูดให้ฟังแต่มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้ความดีนี่มันต้องเห็น จากคนที่ก็ททำให้เป็นแบบอย่างเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูเป็นผู้บริหารเป็นพระเห็นแล้วก็ความดีก็จะค่อยๆซึมจากใจถึงใจความดีมันไม่ได้ผ่านจากหนังสือมาสู่คนนะความดีไม่สามารถจะผ่านจากหนังสือหรือตัวอักษรนี่มาสู่หัวใจคนได้แต่มันต้องผ่านจากใจถึงใจมันจะมีพลังมากเดี๋ยวนี้เราไปใช้ตัวหนังสือหรือใช้คาพูดในการสร้าง ในการถ่ายถอยความดีซึ่งมันไม่ได้ผลวิชาศีลธรรมมันก็เลยล้มเหลวการสอนของพระเวลานิมนก็เลยไม่ค่อยมีพลังเพราะว่ามันไม่มีการทําให้ดูอยู่ให้เห็นมันไม่มีการแสดงความเย็นให้ปรากฏสัมผัสได้อันนี้ก็ตอนเราทำอย่างนี้มากๆเข้าเนี่ยคนก็จะเห็นประจักษ์แจ้งในความดีแล้วมันก็จะมีความมั่นคงในความดีธรรมมาธิปไตยหรือวความยึดมั่น ความเชื่อมั่นในธรรมะจะหมายถึงความมั่นคงในธรรมะเอาธรรมะเป็นใหญ่ก็จะมั่นคงในจิตใจความถูกต้องก็จะมาสำคัญกว่าความถูกใจอะไรที่ถูกต้องแม้คนอื่นก็จะไม่เห็นด้วยฉันก็ไม่สนใจเพราะฉันเชื่อมาว่านี่นคือความถูกต้องฉันพร้อมที่จะคัดขานนะฉันพร้อมที่จะแสดงความไม่เห็นด้วยกับคนส่วนใหญ่ ที่ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องดัสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มาช่วยทาให้บ้านเมืองหรือว่าสังคมทุกสังคมเจริญก้าวหน้าได้ถ้าไม่มีตรงนี้นะไอ้คนส่วนน้อยที่มันไม่ดีมันก็พาคนส่วนใหญ่ลงเหลวลงนรกที่เราก็เห็นกันอยู่ในแทบทุกวงการเวลานี้จนกระทั่งในสุดคนดีค่อยๆอยกลืนหายไปกลายเป็นคนชั่วเสียเองซึ่งอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย